ขอความสุขความเจริญทังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงคําจากมาวิทยาสีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องทุติยะพัติยสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพระละกุลทกะพัติยสูตรที่สองสืบต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนคือท่านเล่าว่า พระกุณฑกะพัทยาในความพระธรรมเทศนาในสำนักของพระสารีบุตรตอนที่มาฟังเนี่ยท่านเป็นประโสดาบันอยู่เราเรียนกรรมฐานในสํานักของพระพุทธเจ้าแล้วไปเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าก็มาฟังธรรมะในสํานักของพระสารีบุตร แล้วก็บรรลุมรคนเป็นพระหันแต่ว่าภาษาดิบุตรยังไม่ทราบว่าท่านเป็นพระหันแล้วพระตถาจาร์อุปมาว่าเหมือนคนที่มีอัธยาศัยใหญ่มีใจดีเขาขอน้อยแต่ให้มากทีนี้การฟังธรรมสมับพระอรหันเนี่ย คือตามปกติแล้วการศึกษาธรรมะจะมีอยู่สามแนวแนวหนึ่งเรียกว่าอลััคทูปะมะปริยัติคือเป็นการศึกษาเรียนรู้เพื่อมาโต้อตอบมาถกเถียงมาอภิ ป, ปรายมาชิงไหวชิงพลิบมาเอาชนะข่าขานกันซึ่งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการเถียงกันเนี่ยต้องคิดมาก ก็คิดมากก็ฟุง้งซ่านพอฟุ้งซ่านก็จะไม่สมรวมพอไม่สมรวมจิตจะห่างจากสมาธิเพราจิตทางสมาธิมันไม่ได้มุ่งไปที่ความถูกผิดแล้วมันมุ่งที่เอาชนะมุ่งที่เอาชนะฆ่าขานกันแล้วก็อาจจะเลยเถิดไปจนถึงลงไม้ลงมือกันก็ได้ แม้ว่าเรื่องที่มาประรบในตอนต้นจะเป็นเรื่องธรรมะเรื่องเกี่ยวกับวิศาการเพราะงั้นการศึกษาในลักษณะนี้จึงไม่เกิดประโยชน์แต่เราก็มีการศึกษาในแนวนี้อยู่เยอะแล้วก็ก็อวุกิกเลตกันนะฮะ เราพูดไปพูดมาก็แสดงว่าก็มีกิเลสด้วยกันอย่างที่เคยยกตัวอย่างไงว่าคนที่เถียงกันเนี่ยที่จริงคือคนไม่รู้ด้วยกันถ้าพูดเลยตรงๆก็คือคนโง่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะอไรพระธาตุท่านที่รู้นั้นท่านจะไม่เถียงแต่ท่านจะมองคนไม่รู้ด้วยความเมตตากรุณาถ้าจะบอกกล่าวก็บอกด้วยจิตคิดอนุเคราะห์ ถ้าเขาฟังเขาเชื่อก็เป็นประโยว์แก่เขาเขาฟังแต่เขาไม่เชื่อมันก็เป็นเรื่องของเขาคือเป็นจิตที่อันชอบทมที่เขาจะเลือกท่านไม่รู้สึกเสียใจยแล้วท่านก็ไม่รู้สึกโกรธแต่ทีนี้ถ้าถึงขั้นเฉียงเนี่ยปัญหาว่าเฉียงมาทาอะไรไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึน้นมาเพราะในที่สุดเนี่ย มันก็เหมือนกับพี่คือเราลองสังเกตความคิดทางการเมืองคือเราเทียบเคียงกับแนวคิดของสหรัฐอเมริกาที่จริงเขาก็เพิ่งเป็นชาติมาก็ก่อนก่อนกรุงรัตนกโกสินทร์ไม่ทลายนะฮะแต่ว่าคนของเขาเล่นการเมืองเป็นคือเรียกว่าต่อสู้เอาชนะกันในเกม แต่พอแพ้แล้วก็คือแพ้คือยอมรับความพ่ายแพ้ฝ่ายชนะก็ไม่ได้คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นคู่ต่อสู้กับตัวเองอย่างตัวอย่างอาดีตตระธานาธิบดีสองท่านซึ่งเคยแข่งกันมาในสนามเลือกตั้งแล้วก็ท่านผู้เท่าก็แพ้คนหนุ่มก็ชนะแล้วปรากฏว่าลูกชายของผู้แพ้นะส่งผู้ชนะ พร้อมกับพ่อมาเยี่ยมเยียนประเทศที่ถูกคลื่นสึนามิทำลายแต่ต่างคนต่างก็ทำงานกันในนามของสหรัฐอเมริกาในนามของรัฐบาลไม่มีความเป็นฝ่ายใชย้หรือฝ่ายรัฐบาลในการถกเถียงก็ไม่จำเป็น หมายความรัฐบาลมีนโยบายเป็นยังไงก็คือต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนราะถ้าหากว่าเราจะดึงมาให้ไปอีกทางหนึ่งเนี่ยคือปัญหาว่าเราเป็นผู้บริหารเรียกใครบริหารล่ะแล้วบางทีเราไปชี้ก็่าผิดแล้วอ่ะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผิดแล้วคุณรู้ได้ยังไงของคุณถูกเพราะว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ทำ จะไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ตอนลงมือประพฤติปฏิบตัติรัฐบาลก็ทำไปตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งไม่ได้ทำไปตามนโยบายของฝ่ายค้านทีนี้สมมติว่าที่รัฐบาลทำไปเกิดอาจจะผิดเราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าที่คุณว่ามันถูกเพราะคองคุณไม่ได้ทำถ้าทำแล้วอาจจะผิดอีกก็ได้ไมันก็ลองในทางที่สามทางที่ ส, สี่ทางที่ห้าก็ว่ากันไป มันนั้นมีอะไรที่สมบูรณ์ในความถูกต้องสมบูรณ์ในโลกเนี่ยไม่มีมันมีได้เสียมากหรือเสียน้อยเดี๋ยวเธอยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าการเลือกของคนระดับพระโพธิสัตว์เขาถือว่าสุดยอดของของคนแล้วนะฮะเป็นอภิมนุษย์แล้วต่พระบทที่พระองค์เลือกเขาจริงๆนี่โลกเกิดสูญเสียพระเจ้าจักรพรรดิไปองค์ นั้นโอกาสจะได้พระเจ้าจักรพรรดิเพะในประวัตวิศาสตร์จึงไม่ได้รายงานที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินของพระเจ้าจักรพรรดิว่าเศ ร, รษฐกิจเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงการเมืองเป็นยังไงความมั่นคงเป็นยังไงการทหารเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าองคมือขนาดพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยบริหารบ้านเมืองเป็นยังไงมันก็มีได้แต่ในตำราที่เล่าขานกันเป็นเรื่องโบราณ นั่นก็แสดงว่าสมมติว่าเจ้าชาติยถาจะเกิดเลือกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโลกก็สูญเสียพระพุทธศาสนาทั้งศาสนาโอกาสสูญเสียมากมายกันของเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราได้ร พ, รพระพุทธศาสนาคือเราต้องเรายอมเสียพระเจ้าจักรพรรดิมันไม่ใช่ว่าเอาทั้งสองอย่างมันเป็นไปไม่ได้เม่เราเดินทางขวาแล้วจะเดินทางซ้ายด้วยมันเป็นไปไม่ได้ เพราันหลักการตรงนี้คือเป็นหลักการที่ไม่ใช่เอาชนะกันแบบอสสิพิษิตแต่ยอมรับในความจริงนะฮะยอมรับความจริงว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วก็เสนอแผนเสนอนโยบายเสนออะไรขึ้นมาก็ตามแล้วฝ่ายค้านก็ค้านถามว่าเราจะไปทำตามฝ่ายค้านหรือเปล่ามันก็เปล่ามันไม่ใครมาทำหรอก คือถ้าทำแล้วก็ถือว่าใช้ไม่ได้มันก็แพ้แพ้มติของตัวเองก็ต้องลาออกฮะเพราะว่าเขาไม่รับแพ้เสียงครางมากเพราะงั้นอนแนวอลรคัตูปมาปริยัติเนี่ยมันจึงไม่ได้หมายความว่าไปเฉพาะแนววิชาการที่ยังนำไปสู่การถกเถียงแล้วก็หาข้อยุติไม่ได้ หรือพยายามที่จะโจมตีหักล้างเอาชนะค้าขานกันเนี่ยมันจบลงด้วยการสูญเสียผลประโยชน์โดยกันทั้งสองฝ่ายมันก็เหมือนกับยุคเราที่พระญาติบุคคลเริ่มเสื่อมไปเนี่ยคือเริ่มทิฏฐิมันต่างกันเนพราะทิฏฐิมันต่างกันมันเสียเวลาในการเอาชนะค้าขานกัน แล้วพระเวลาเจอหน้ากันก็แทนที่จะมองกันด้วยความรู้สึกเป็นมิตรมันก็มองรู้สึกเป็นฝักเป็นฝ่ายที่ต้องการจะเอาชนะกันแล้วกลายเป็นเราเป็นเขาแล้วขัดแย้งกัน เ, เวลาเทศเองก็ไปชุนกันเองเป็นอันตรายมา ก, กนฮะฮเพราะในความยินดียินร้ายที่พระเจ้าสอนบ่อยๆเนี่ยให้นึกไว้เถอะว่า ถ้าเราเริ่มตรงนี้เรายุ่งทุกทีอะตรงนี้ก็เหมือนกันคือการศึกษาแนวอลลัคตู ก, าตกามาปริยัติเนี่ยคือหมายความมาถ้าเราชนะเราก็กำเริบแต่เราแพ้เราก็ต้องการจะ แ, ก, แก้แค้นมันก็คล้ายๆกับเกมการพนันซึ่งไม่ใช่วิธีการในการศึกษาถ้าถกเถียงก็ถกเถียงกันใน การหาข้อยุติที่ถูกต้องอย่างประทมินัยเนี่ยจริ่งง่ายือถ้าเกิดขัดแย้งในประทมินัยก็ดูที่ประสตรปดกว่าอย่างไรก็คืออย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ยอมรับประไัยปิฎกมันก็พูดยากละ่ะหรือว่าข้อถกเถียงในแง่มุมของกฎหมายแต่กฎหมายเราอย่าลืมว่ามันไม่ใช่สัจธรรมที่ถาวร มันเป็นเรื่องความคิดของมนุษย์ในยุคในสมัยหนึ่งในสังคมหนึ่งในท้องถิ่นหนึ่งแล้วก็จำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกันไปเรื่อยๆแต่ว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นธรรมะเป็นผลระดับสัพพัญญุตญาณวันที่นำมาแสดงเนี่ยแสดงด้วยสัพพัญญุตญาณแสดงด้วยพระอรหรันต แล้วก็พระรุ่นหลังเนี่ยอย่างอัตมาเนี่ยมันก็เด็กรัตเด็กอ่านสารเนี่ยคือว่าเป็นราชทูตอ่านราชสารนั่นนั่นเองเราไม่มีหน้าที่ที่ไปชี้ผิดที่ถูกอะไรผมถูกอยู่แล้วเรามีหน้าที่นำเสนอนั้นเองบอกกล่าวว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนั้นเรื่องนี้ทรงแสดงไว้อย่างนั้น แนวยันหนึ่งเนี่ยเป็นการศึกษาที่เขาเรียกว่านิตรนาปริยัติคือเพื่อ น, นําไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างที่บอกว่าการศึกษาของเราเนี่ยมันจะเน้นที่ศีลสมาธิปัญญาหมายความว่าเป็นทั้งการเรียนรู้ถึงหลักการวิธีการปฏิบัติการแล้วก็นําไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วก็เกิดผล เกิดอานิสงส์จากการปฏิบัติตามพระวิ น, นัยตามศีลตามสมาธิตามปัญญาเพื่อช่วยตัวเองให้หลุดพ้นแล้วก็ทำหน้าที่ช่วยคนอื่นต่อไปพระาอารหันต์นั้นศึกษาในแนวหนึ่งที่ท่านเรียกว่าพันธาคาริกะปริยัติเป็นการศึกษาเพื่อรักษาพระสัทธรรมเอาไว้ เราจะเะห็นว่าพระหานั่งก็ยังฟังเทศนะฮะอย่างความเทศแล้วก็ความไม่อิ่มไม่รู้สึกเต็มไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอความซ้ำความทราบยังไงก็ได้เราได้ทรมปติอยู่ในทับวันพระละกุลทกะพัตติยะเนี่ยที่จริงท่านบรรลุมขุนเป็นพระหานตั้งแต่เทศกันแรกแต่ว่าเมื่อภาษารีบุตร ไม่รู้ว่าท่านบนรรลุมรรคผลก็ต้องการเทศต่อท่านก็เทศพระละกุณกะภัตยาก็ฟังผลข้อความในพระสูตรเนี่ยข้อความมันมีแนวซ้ำแนวซ้ำกับพระสูตรแรกบอกว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเจดวันนั่นแหละก็ สมัยนั่นแหลท่านสารีบุตรสำคัญท่านละกุลทกะพัทธิยะว่าเป็นพระเสขะจึงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานในอาถานให้ราเริงด้วยธรรมีกถาโดยอเนกปริยายิ่งกว่าประมาณอธิบายออกไปโดยวิจิตพิสดารโดยมุ่งที่จะช่วยเหลือให้พระละกุณทกะพัทธิยะนับลุมมรรคผล เป็นพระาหารันแต่ว่าท่านบรรลุแล้วตอนท่านก็เกิดธรรม毗จิตโดยธรรมชาติของท่านเพราะว่าพระอราหันต์หรือนักปราชญ์พวกแงวนักปราชญ์จะไม่อินในการฟังธรรมถึอฟังได้เราจะเห็นว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาฟังเทศตลอดทั้งคืนคืนอย่างทุ่ง อย่างวัดประวลนในเวทวิหารเวลเ า, า, ว า, าเนี้ยเทศการมาฆะกับวิสาขานิยมฟังเทศรุ่งนะแต่จำนวนไม่ค่อยมากทเท่าไหร่หรอกแต่การฟังเทศตามประเพณีแต่ก็ท่านช่วยดูแลกันจนรุ่งพระเนรก็ก็ปรัดเปลี่ยนกันฟังคือไม่ใช่ว่านั่งรุ่งตลอดหรอกโยมเองก็ เอลูกไปเดินจงกรมข้างนอกบ้างไปล้างหน้าล้างตาบ้างอะไรแต่ละแต่สรุปประความกันกันอย่างรุง่งมันก็ต้องมีสัจจะมีอธิษฐานมีขันติมีวิริยะมีสติมีศรัทธามีสมชญญะเนี่ยคี่จะเห็นว่าการฟังเทศลักษณะนี้ถ้านับองค์ธรรมแล้วจะมากเลยเราจะเห็นองค์ธรรมในในใจเรานี่มากแล้วก็สนับสนุนหนุนเรื่องกันไป พระคาถาอย่างเนี่ยไม่ไปอ่นะพระคาถาอย่างในจิตมันจะไม่ไปเพราะงั้นพอมาแสดงกับพระล ะ, ละกุลลกะบพระติยะที่เป็นพระอาหารหันต์มันก็เหมือนกับไฟที่ไม่อิ่มเชื้อมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ํานักปราชญ์ไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงเห็นท่านประสาริบุตร สําคัญว่าท่านละกุลทกะปฏิยะเป็นพระเสกขะแล้วก็แสดงธรรมอย่างนั้นก็ส่งทราบเมื่อความแล้วก็ทรงเปล่งอุทานก็ประรบเรื่องราวเหล่านี้ยแล้วก็ทรงเปล่งเป็นพุทธอุทานขึ้นมาว่าบุคคลตัดวั ต, ตะได้แล้วคือตัดวตฏะเนี่ยเฉพาะพระอรหันนะฮะพระ เรีกว่าพุทธบุคคลสามประเภทดังกล่าวเนี่ยคนอื่นตัดพระตะไม่ได้พระตาคืออะไรคือกิเลสสวัได้แกศสัพพกิเลสทั้งนวลที่ชื่ออย่างไงก็ได้แต่เรามักพูดเป็นอวิชาตนาวปาทานในกรณีที่หมุนในกรณีที่ขับเคลื่อนนําชีวิตได้หมุนไปในกระแสของสังสารวัฏส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คําว่าอวิชาตนาวปาทาน เช่นว่ากรรมแห่งสังสารจักรก็หมายถึงวิชาตนาวปาทานในความเป็นอวิชาตนาวปาทานนั้นถ้าเราไปดูในปฏิจจสมบาทโดยเห็นว่าอาวิชานั้นเป็นอนดีตเหตุคือเหตุที่สืบพบสืบชาติมาจากอดีตปัญหานี่เป็นปัจิบันเหตุคือเราเกิด พอใจก่อนนะฮะจึงเกิดกรรมตัณหาลองสังเกตระอะไรก็ตามถ้าเราไม่พอใจกรรมตัณหาไม่เกิดอาจจะเกิดวิภวตัณหาแต่ว่ากรรมตัณหาจะไม่เกิดถ้าเราไม่ต้องการเป็นเนี่ยเพราะว่าตัณหาไม่เกิดทีนี้อาการจะเกิดมันก็ต้องเห็นต้องเห็นต้องได้ยินต้องถูดดมต้องลิ้มต้องจับต้องมันผ่านกระบวนการธรรมศาสัมผัสมา าลการเห็นครั้งแรกและยินครั้งแรกสุดลมครั้งแรกลืมครั้งแรกกับต้องครั้งแรกจึงไม่มียินดียินรไอาจจะมีเฉยเฉยอาจจะมีสงสัยอาจจะมีอยากรู้กิเลสหรือธรรมะจะเกิดธรรมะข้อไหนจะเกิดเดียไม่รู้มันอยู่ที่การวินิจฉัยของเราถ้าวินิจฉัยว่าชอบกิเลสประเภทโลภะก็เกิดแต่วินิจฉัยว่าไม่ชอบ กิเลสประเภทโทสะก็เกิดถ้าไปวินใจไม่ใส่ใจมันก็ไม่ไม่ถึงกับหนักไปด้านใดด้านหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาคือวางเฉยเพราะวางเฉยมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นสุขพอไม่เป็นทุกข์เป็นสุขมันก็ไม่มีอยากหรือว่าปฏิเสธถ้าทุกข์เราก็จะเกิดเกิดปฏิเสธคือเกิดไปเพราวะตัณหา ถ้าสุขก็จะเกิดกรรมตัณหาเพระวัตัณหามันก็เป็นกระบวนการทางจิตทีนี้ถ้ามันชอบเราก็ยึดยึดด้วยอำนาจองอุปาทานนะที่เคยกล่าวไว้ในวันก่อนทีนี้จากกิเลสเนี่ยนำไปสู่กรรมก็เรียกว่ากรรมวัดกรรมวัดโดยสรุปแล้วเนี่ยกรรมมันก็ที่จริงมันก็มีสองประเภทนะนะ คือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมหรือบาปกบุญก็แล้วแต่จะเรียกถ้าเรียกตัวเหตุเนี่ยก็เรียกว่ากุศลอกุศลถ้าเรียกตัวผลก็เรียกว่าบุญบาปแต่จริงๆเนี่ยบุญบาปมันก็เป็นเหตุอีกทีหนึ่งนําไปสู่สุขสู่ทุกข์แล้วก็สุขทุกข์เนี่ยเป็นเหตุอีกอะ่ะมันก็ก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจก็หมุนไปได้ดเรื่อยๆ เราอสังเกตว่าบางอย่างให้ความสุขแก่เราได้ต่อเนื่องหรือให้ความทุกข์แก่เราได้อย่างต่อเนื่องนั้นก็มันก็อยู่ที่ใจเราทีนี้วิปากวัฏก็คือผลวิปากวัฏ ต, ตัวหลักเนี่ยจริงๆก็คือชาตนะิคือความเกิดเราเห็นว่าในปฏิจจสมุปบาทมีวิบากอยู่สองช่วงช่วงแรกเนี่ยท่านพูดแบบกระจาย คืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเพราะวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาก็เป็นเขาเรียกว่าปัจจุบนนันผลที่มันสืบเนื่องมาจากกิเลสกรรมปรากฏตัวอยู่ในชาติปัจจุบันแต่ก็มีอีกกิเลสกรรมอยู่ด้วยนะทีนี้พอเราไปเห็นรูปความเสียงเป็นต้นมันเกิดสุขเกิดทุกข์ มันก็เกิดยินดียินร้ายมันก็กลายเป็นการมัทนาภวะัทนาวิวาทหาก็เกิดเป็นอุปาทานเพราะนั้นตัณหามันก็กลายเป็นปัจจุบันในเหตุแต่ว่าก็สืบเชื้อมาจากเดิมนะฮะตัณหาในอดีตก็มีเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยท่านยุบรวมไว้ที่อภิชาหมดก็เอาเอาเฉพาะที่ปัจจุบันนี้ก็ปนปกันอยู่ก็แยกขึ้นมาพูด เพราะในวิบากเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นเป็นพกเราเห็นว่าอุปาทานภพชาติเนี่ยมันก็นําไปสู่การเกิดคำว่าชาติหรือชาติที่แปลความเกิดอันนี้ก็คือวิบากวิบากพวกนี้ยที่ที่จริงก็เหมือนนั่นแหละแต่ว่าคูดต่างกันแล้วเองเดี๋ยวไปให้รายละเอียดในว่าชาติธรารมณนะ ว่าไปโสกะปิเทวทุกขโทกะนะตุปาญาติแต่ว่าถ้าไม่ว่าไปไกลขนาดนั้น น, น, นะนะก็ได้เป็นวิบากเขาคือผลเพราะฉะนั้นถ้าผลเนี่ยเราปฏิเสธอะไรไม่ได้อย่างใกล้ๆกันเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อก่อนนี้ไปเจอไปจังหวั ด, ดอุดร แไปคุยกับพระพวกต่อารพรบมนานุสติเดี๋ยวที่จริงก็อายุมากด้วยกันแนะ่นะทั้งคู่อแต่เขาอ่อนกว่าน่อยหนึ่งก็อบอกว่าเดี๋ยวคงจะไม่กี่วันแต่อตอนนี้ก็เจ็ดสิบเอ็ดแล้วเขาบอกโอ้ยเจ้าคุณนี่อยู่ได้ถึงเก้าสิบบอกโอ้ไม่ไหวแล้วแต่เก้าสิบมันนึกว่าไม่ไหวมังเหรอเดี๋ยวถ้าแข็งแรงที่จริงก็ไม่ค่อยแตกนะฮะเราเห็นเมื่อก่อนเจอหลวงพ่ออายุถังเก้าสิบเจ็ดท่านก็ยังแข็งแรงนะเอง พูจาคร่องแคล่วเทศนาวาการได้อย่างชัดเจนเสียงสงสัยมันก็ดีที่ว่าทําประโยชน์คือสรุปว่าถ้าอยู่มันต้องทำประโยชน์ได้ถ้าทําประโยชน์ไม่ได้ก็อย่าไปอยู่เลยเป็นภาระแก่คนอื่นสังขารเนี่ยมันก็แบกหนักอยู่แล้วแต่อีกมันก็เป็นวิบากอ่ะมันเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแล้วก็ทําอะไรเขาไม่ได้ ก็เป็นไปตามกระบวนการของกรรมของมันแล้วก็พอตัดวัตฏะนี่มันเป็นอะไรมันถึงนิพพานอนันนี้ที่ที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงในธรรมจักรวัตนาสูตรที่ใช้คําว่าก็แลยานได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าการหลุดพ้นของเราไม่กําเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มี เรื่อที่เกิดแก่ท่านปณิวัคคีที่บอกขีนาชาติุสิตังพระพิจารยังกตังกรณียังนาปรังิตตตาติประชานณตินี่้จิตท่านเริ่มเบือายเบือนายในรูปเป็นธนาตญาติขานวิญญาณพรอเบือนายในใจมีคลายกำหนัดความกำหนัดก็คลายคลายคลายคลายพอคลายกำหนัดถึงจุดหนึ่งจิตก็พน้พนพ้นญาณก็ผุดขึ้นมาแต่ที่จิตพ้นนี่นานมาพ้นโดยญาณเอนนะ ยังเกิดพุ่นผุดขึ้นมาก็รู้ตัวเองคล้ายๆเราหายป่วยแล้วเราก็รู้ว่าเราหายป่วยเราอิ่มแล้วเรารู้ว่าเราอิ่มแล้ว อ, อันนี้ก็เหมือนกันเราบวดหัวพอหายปวดหั ว, ว, ห ว, ว, หวเราก็รู้เองอ่คนอื่นรู้ไม่ได้เหมือนการหลุดพ้นจากกิเลสหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ใจเรารู้แต่ว่าบนเส้นทางเนี่ยมันก็ยุ่งๆอะไรอยู่พอสมควร คือถึงจุ ด, จดหนึ่งเนี่ยอาจจะหลงเข้าใจผิดว่าตัวเองได้บรรุลแล้วก็ได้วันก็ต้องระมัดระวังในประเด็นตรงนี้คืออย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าไอ้กิเลสบางทีที่มันสวยงามกว่าธรรมะนะะต้องระมัดระวั ง, ง, วงการกิเลสนี่สวยงามกว่าธรรมะและโลกเนี่ยถูกล่อให้หลงได้ง่ายเพราะว่ามันสวยงามมันปุงแต่ง ธรรมะมันตรงๆนะฮะตรงๆก็ตรงไปตรงมาธรรมะตรงลงไปตรงมาแต่วิกิเลสเนี่ยเขาไม่ตรงอ่ะเขามีมายามีเสแสร้งมีโอ้อวดมีแข่งดีมีมานะมีอะไรต่างๆอีกมากมายบรรลุถึงนิพพานอันเป็นสถานที่ที่อันเป็นสถานที่ไม่มีตันหา คือไม่ได้ความไม่ได้หมายความว่ามีเป็นสถานที่นะฮะแต่ว่ามันถ้าเราเทียบอะไรมันเป็นภาวะที่ไม่มีตัณหาอยู่ในสถานที่นั้นคล้ายๆกับว่าสถานที่หนึ่งเนี่ยมันเคยวางวางแก้วไว้ แล้วก็ต่อมาเขาก็ยกแก้วออกไปเราก็บอกว่ามีที่ที่ไม่มีแก้วมีที่ที่ไม่มีแก้วเพราะอานิพานเนี่ยจึงเป็นขันธวิมุติมันไม่มีขันมันเป็นสภาพคล้ายๆกับเป็นพลังคือเราลองนึกดูว่าสมมุติเราจะน้อมเอาพระคุณพระพุทธเจ้ามาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนส่วนใดของโลกก็ได้นะ น้อมเอาปัญญาคุณบริสุทธิคุณกรุณาคุณเข้ามาสู่จิตที่น้อมปับก็เกิดปุ๊บเลยเป็นพระคุณเหลืออยู่แต่พระคุณน่ะเทระว่าจะใช้คำว่าแม้เสด็จปริพานนานแล้วยังเหลืออยู่แต่พระคุณพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เพราะนการปฏิพานจึงไม่ได้ปรากฏอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่ง ยันนี่ขอยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าความเชื่อเหล่านี้มันเป็นความเชื่อที่ที่จริงแล้วมันมันเป็นการต่อสู้กับเรื่องศาสนาพราหมณ์คือพราหมณ์เขามีพระพรหมสมัยนั้นเขาก็มีพระพรมหมนะฮะคือก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาเรียกพรหมมันแต่ว่าสมัยพุทธกาลหลังพุทธกาลเนี่ยเาเรียกพระพรหมนะ่ะตอนรพระพรหมยังเด่นอยู่ พระพรมเป็นผู้สร้างแล้วสถิตอยู่ชั่วนิรันดร์นั้นเป็นความเชื่อที่พระเจ้าเคยเสด็จไปกำลาพระกาพรมเพราะท่านคิดอย่างนั้นท่านคิดว่าท่านเป็นนิรันด์แล้วก็สิ่งทั้งหลายมาจากการรังสรรค์คือการสร้างสารรค์ของท่านท่านนั้นเป็นอนาธิคือไม่มีเบื้องต้น แล้วท่านก็เป็นอนันตะคือไม่มีที่สุดท่านก็หลงนาดูงกัง น, กนอพระพุทธเจ้าก็ไปกำหลบับก็ได้แต่ว่าคุณ อ, อย่าลืมว่าท่านประกาพรมเป็นพรหมระดับระดับมหาพรหมคือเป็นพรหมโลกชั้นสามแตนั้นเองพรหมโลกมันมีทั้งสิบหกนะฮะเอานับเฉพาะที่เป็นฌานเนี่ยมันก็มีทั้งสิบเอ็ดเันองค์ใดองค์หนึ่งก็เกิดหลงขึ้นมาก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไร เพราะว่าอายุท่านยืนเนี่ยทีนี้เราเองก็พยายามที่จะเอาพวกคือใช้ปริมาณเป็นหลักคือแนวเทราบ้าตเนี่ยนแนวเน้นที่คุณภาพซึ่งวิธีการการอะไรการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์การมวลชนเนี่ยการแย่งชิงมวลชนเนี่ยจะได้น้อย เพราะว่าคนจะขยานกับความยากซึ่งบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็เสียเสียในเรื่องเหล่านี้เหมือนกันเพราะที่จริงพระพุทธศาสนาเนี่ยให้จับอะไรได้แต่ข้อแม้แต่รักษาศีลได้สะข้อก็บุญแล้วอย่าไปเอาอะไรมากคือบางทีชาวบ้านเนี่ยชอบเอาไปพูดแรงศีหน้าต้องครบห้าข้อไม่งั้นไม่ได้ขาดหมด แรงไปเขาไม่ฆ่าสัตว์มันจะขาดได้ไงเขาไม่รักษามันจะขาดได้ไงนึกถึงความจริงอย่าพูดอย่าพูดเอาแต่แต่อารมณ์ตัวเองนะมันไม่มีหลักหรอกมันพูดกันส่วนมากก็พูดกันไอไม้มาอย่างพันเตติสเนนนาสหาอะไรอะไรมป็นเรื่องเพิ่งเกิดตอนนั้นแหละเรื่องคนรุ่นหลังทําขึ้นมันไม่ใช่เรื่องสมัยพุทธกาลเจตนาในการรักษาสีงข้อใดมันก็คือข้อนั้นกระเพาก็ดีไป ไม่ครบห้าก็ได้จักหนึ่งักสองก็ว่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพยายามรักษากันหน่อยก็แล้วกันเพราะเรื่นี้มันมันรุนแรงมันน่าสลดมท่านคงจะติดตามข่าวเมื่อวันที่ยี่สิบสามน่ะนะฮะท่านมาค่านะฮะที่จริงมันน่าจะมีการทำตัวเลขเอาเฉพาะที่เป็นข่าวแต่นั่นสื้อผิดเนี่ย ดูซื้อวันวาเลนไทยกับวันมาฆบูชาเนี่ยอาถิกรรมอะไรมากกว่าถอาจิกรรมเกิดในวันมาฆะมากกว่านี่อันตรายนะเพราะหมายความว่าวันโกนไม่ละวันพระไม่ไม่เว้นละวันมาฆะก็ไม่หยุดละนี่คืออันตรายแล้วรับเองต้องหันมาทบทวนคืออย่าลืมว่ามนุษย์นั้นถ้าจะเน้นย้ําที่เศรษฐกิจเจยไม่มีทางยุติได้เลย เพราะมนุษย์จะโลภมากจะโลภเรื่อยๆจะอยากได้มากเรียกว่ารวยแข่งกันโดยไม่รู้ว่ารวยไปเพื่ออะไรยังมองมันก่อนเนี่ยไปต่างจังหวัดไปวัดป่านะคือเราเห็นอาหารที่เขาเรียงในวัดป่าเราตกใจอ่ะเรียกว่าในกรุงเทพไม่มีขนาดนั้นนะ อาหารหรูอาหารต่างประเทศอาหารฝรังตั้งหลายอย่างมีรู้สึกว่าลาวก็มีนะลาวก็มีแล้วก็จีนก็มีเวียดนามก็มีฝรังก็มีไทยก็มีโอ้เยอะมา ก, มา ก, าก ม, ม, มากแต่ยังนึกว่าเอ๊ะทำไมทำไมมากเลยเกินนี่คือแสดงให้เห็นว่าถ้าศีลธรรมไม่เติบโตตามสัดส่วน ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในที่สุดคนจะมองไปที่ความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ความรวยจะกลายเป็นอภิสิทธิชนไปในที่สุดศีลธรรมจะตกต่าแล้วคนก็จะออกมาในทุจริตต่างๆนะค้ายาบ้าหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะผลท้ายพอ ร, รวยแล้วก็ดังทั้งนั้นเลย น, นี่อันตรายเป็นความคิดที่อันตรายแล้วก็ควรจะหันกลับมาทบทวนมากอะไรเป็นพิเศษถ้าเราไม่หันมาทบทวนในเรื่องเหล่านี้แล้วก็คงจะลำบากเพราะอะไรเพราะว่าไอ้นิพพานเนี่ยเราสัมผัสได้ลึกเต็มที่ก็ยากแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีธรรมะสักข้อเนี่ยเราก็ดับกิเลสได้เยอะแล้ว เช่นเชื่อมั่นในกฎของกรรมเอาเชื่อมั่นในกฎของกรรมนะ แ, แต่ว่าคนบางพวกเว้เนี่ยที่หลอกลวงโลกรับอาสาตัดกรรมอ่ะไอ้พวกตัดกรรมเนี่ยมีอันเป็นไปเยอะแล้วนะทำไมไม่รู้จักหลับจำก็ไม่รู้ถูกจับบ้างถูกติดคุกบ้างถูกยิงตายบ้างถูกจับศึกบ้างเยอะมาก พวกนี้ไม่มีความหลับํำแปลกจริงๆเลยหลอกลวงชาวบ้านในตัดกรรมตัดได้นะฮะอย่าทำชั่วตัดได้แต่ถ้าทำชั่วแล้วตัดไม่ได้หรอก ม, มีใครไปตัดให้ได้จนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมนะฮะจนกว่าจะโน้นแหละบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็านิพพานยังไม่ตายก็ยังเจอกระแสกรรมอยู่ถ้าก็ตามทันนี่ยนะฮะ เพราะกรรมมันจึงอยู่ที่การทำหรือไม่ทำความดีเราทำเนี่ยมันเป็นการละความชั่วไปด้วยเราทำความดีไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องตดัดเพราะว่ากรรมดีนี่ตัดกรรมชั่วให้ก็พยายามทำความดีทีนี้ในการดับตัวงนี้ยเราจะเห็นว่าตัณหามันก็ดับได้ในกรณีนั้นๆ ท่านบอกว่านิพพานเนี่ยอันเป็นสถานที่ไม่มีตัณหาพูดง่ายว่าจิตที่ไม่มีตัณหาก็คือจิตที่ดับกิเลสได้ก็ อ, อนนิพพานเนี่ยน้อยก่อนอ่อนงนม ด, ดตัณหาจะบ้างการโฆษณาอะไรเชิญชวนชักชวนอะไรซื้อกินอยู่อะไรมากมายไกลกองเลยเนี่ยก็ยบรรเทาตัณหาใช่บ้างาน้อยก่อนมีอาเขา เอาดิกามาให้ในการชักชวนจะสร้างโบสถ์แต่ดูแล้วเอเขาตีราคาเลยมันแพงเลยเกิดโดยเฉพาะอย่างงี้หินอ่อนเนี่ยเอตลังเม็ดตึ้งตั้งสี่พันเอามาจากไหนวะเลยก็สั่งให้พุกช่างที่เป็นลูกศิษย์ไปศึกษาดูซิว่าราคาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรแต่เนี่ยคือทร ม, มันจะเรสุจริตงังนะ่นั่งรุ จ, จริตัง จ, จะเรศกหก ต้องสุจริตราคาเท่าไหร่คือเท่านั้นไม่ใช่ไปให้เขารับเป็นเจ้าภาพกี่ตารางเม็ดกี่ตรางเมตแล้วก็ได้กำไรตั้งเกือบครึ่งอย่างนี้โอไม่ไหวอ่ะมันชวนก็ทำบุญนะฮะแต่ตัวเองจะไปลงนรกก็แย่เลยอย่างเงี้ยดังนั้นต้องบรรเทาตัญหาต้องพยายามบรนเทาตัญหาตัญหาแล้วมีปัญหาทุกทีแหละ ไม่ว่าจะขนาดไหนก็ตามกามาตัญหาก็มีปัญหาเพราะาตัหาก็มีตัหามีปัญหามีว่าตัญหาก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมเขาได้เนี่ยมันลดปัญหาลงไปก็ดับได้ในบางเรื่องเนี่ยเช่นอย่างนึกว่าพวกอบา ย, ยมุขเนี่ยมันน่าจะควรดับได้ แต่เวนี้ก็มีการเชียอะไรเกิดจะไปเปิดคาสิโนที่สิงคโปร์สิงคโปร์หาเรื่องงนะฮะสิงคโปร์หาเรื่องจะลึงดูดเงินจากประเทศไทยพอสนามบินสวรรณภูมิเสร็จเนี่ยเงินจะเข้าถูกประเทศไทยเยอะตรกนี้จะให้เช่าสถานที่สร้างคาสิโนก็คนไทยก็ไปอีกนะฮะไอ้เนี้คือปัญหาว่าถ้าเราแก้ที่ใจไม่ได้เลยมันมีทางอ่ะ คือที่เราพูดเนี่ยเราไม่มองที่ใจว่าการที่เล่นไปเล่นนะบายมุกจนถึงเสี่ยงถูกจับถูกอันตรายถูกฆ่าอะไรแต่ใสารพัดเนี่ยเพราะความโลภความโลภมันเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายทุกเรื่องถ้าโลภเข้าแล้วยุ่งลุกเทีย่ยวเพความโลภ ก, ก็จะมาตัณหาภวะตัณหามันก็พวกเดียวกันทีนี้คนที่เป็นท่ากันตัณหานี้มีแต่เดือดร้อน ว่าแ น, นวดับดับตัวเนี่ยพูดยังไงว่าบรรเทาเอาขนาดบรรเทาบรรเทามันตั้งแต่ที่เป็นความคิด แ, แล้วก็เรื่องบางเรื่องก็ตัดตั ด, ต ด, ตดออกเสียเราไม่ถึงไดดับตัณหาได้หมดหรอกแต่ว่าถ้าบรรเทาเ้าได้ลดเขาได้นะหรือว่าแบ่งแยกไปใี้ได้ในความรุนแรงก็จะลดลงไป เด่กก็ต้องเข้าใจนะว่านิพานในพระพุทธศาสนาไม่มีสถานที่อยู่ของผู้นิพานเพราะถ้าอยู่ตรงนั้นวันไหนเนี่ยมันเป็นสังขา ร, รทันทีสังขารเป็นของผสมคือเป็นตัวตนเนียมันต้องผสมอ่ะมันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้หรอกอยังพรมเองก็ผสมสีวะเองก็ผสมนารายเองก็ผสม แม้แต่พระเจ้าเองก็ผสมเป็นสังขารนะฮอย่าลืมมาสังขารเนี่ยนิพพานเป็นวิสังขารมันต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้ว่านิพพานเป็นวิสังขารเพราะนนั้คุณไม่มีตัวตนมีอะไรขึ้นมาทันทีเนี่ยมันจะเป็นสังขารทันทีพอสังขารแล้วมันอยู่ในกฎไปรักคือไม่เที่ยงเป็นทุกขเวนตาวิพานเป็นวิสังขารนิพพานเป็นนิจจังคือเที่ยงแล้วก็เป็นสุขขังคือสุข แ้วก็เป็นนามนิพพาเพราะว่างจากความเป็นเราความเป็นของเราความเป็นตัวตนของเราเพราะนั้นคำตรงนี้เลยเลยก็แแปลว่าสถานที่ไม่มีตัณหาตัณหาที่บุคคลให้เกือแห้งแล้วย่อมไม่ไหลไปก็หมายความวาน้าถ้่มันแห้งเนะ่ยมันไม่ไหลอะ่ะก็เรียกว่าตัณหาวิจริต คือตัณหามันสายให้เราสังเกตว่าถ้าจิตเรามีตัณหาในตัณหามันจะสายบางคั้จิตก้สายเช่นสมมุติว่าเราเข้าไปในห้างสรรพสินค้านีิจิตมันสายจิตมันสายนะทําให้ตาสายขาสายมือสายเนี่ยปากสายเนี่ยมันสายไปกับกับตัณหาข้างในตาก็ดูตัวนั้นก็ดูตัวนี้ก็ดูตัวนั้นก็ดูแล้วความอยากมันก็ถูกกระตุ้นด้วยเจ้าหน้าที่ที่ขายของตรงนั้นบ้าง แล้วโดยความสวยงามโดยการเรายอมรับสื่อการโฆษณาอยู่ก่อนบานเขาเรียกตันหาชับปากแกกระซิบ ท, ทีนี้มันไม่มีตันหานี่ก็ไม่มีอะไรให้กระสิบจิตมันจะไม่ไหลไม่ไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายก็ยังนึกดูภาพนึกดูภาพว่าพระพุทธเจ้าตอนศัสรู้พระพันษาก็ สามสิบาเต็มนะฮะสามสิบหกย่างตอนที่ไปเชิญกับนางตรหาราคาอรตีเนี่ยพระองค์ก็ตัดสู้มาได้สัปดาห์ที่เจ็ดข้าสัปดาห์ที่แปดก็แสดงว่ายังไม่ถึงสองเดือนก็ปีที่สามสิหก่ยังไม่ถึงสองเดือน แล้วผู้หญิงมายั่วยวนด้วยสารพัดรูปสารพัดวิธีทุกรูปแบบหมดนางตัณหาขนาดเปล่งวาจาว่าถ้าเป็นผู้ชายอื่นถูกเขายั่วยวนขนาดนี้ถ้าไม่มาร่วมมาพิรมด้วยหัวใจจะต้องสลายคือช็อกตายเลยแต่พระพุทธเจ้ากลับประทับเฉยเลยนั่นคืออะไรคือมันไม่ไหลอะตัณหามันไม่ไหลไปนในอารมณ์ทั้งหลาย ก็มันเหมือนกับอะไรอะ่ะเราลองสังเกตว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแม้ไปเจอของเล่นเด็กเนี่ยใจมันไม่ไหลไปอยากได้บันตใจของปะหาร น, นั้นเทียบเทียบกับตรงนี้ไม่ได้แต่บเป็นอุปมานี่ยได้เดี๋ยวท่านก็บอกว่าวัตถะที่บุคคลตัดได้แล้วย่อมไม่เป็นไปหมายความกิเลสกรรมวิบากที่ตัดแล้วนี่จบมันไม่หมุนแล้วไม่มีอะไรให้หมุน แล้วนี่แหละเขาเรียกว่าที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะไม่มีกิเลสอย่าลืมว่าทุกข์กับกิเลสเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันตับใดที่มีกิเลสตับนั้นต้องมีทุกข์แล้วตับใดที่มีทุกข์ตาบนั้นก็ต้องมีกิเลสแต่ตอนนี้ไม่มีทั้งสองอย่างนี้ก็คือคุณลักษณะของพระอาหารหันต์ซึ่ง แน่นอนเราก็เดินตามเป็นตามท่านได้บรรทอนลดให้มันความเข้มข้นมันจางไปคลายไปบรรเทาไปทั้งกิเลสวัฏทั้งกรร ม, มวัฏทั้งวิปา ก, กวัฏคือถ้าเราลดที่กิเลสได้อย่างอยู่มันลดนะฮะมันเป็นอาการต่อเนื่องมาจากกิเลสเท่านั้นเองต่งองฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูุ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี